อาจารย์เลิศพรยมเราพยายอุตสารอดมาเจอกันในเดือนนี้ได้อย่างไม่เป็นหวัดพวกเราสนใจมาศึกษาธรรมะกันธรรมะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขมีประโยชน์ได้เรียนธรรมะรู้จักวิธีแต่ปกรองชีวิตอยู่กับโลกอย่างมีความสุขทุกน้อยๆนะ ประโยชน์สูงสุดเลยก็จะพ้นโลกมันพวกเราส่วนมากนะมันยังไม่ไม่อยากพ้นโลกโลกยังอะิรอร่อยอยู่งั้นเราก็แค่ว่าเราอยู่กับโลกอย่ามีความสุขแล้วก็เตรียมความพร้อมของจิตใจไว้วันหนึ่งเมื่อจิตวิญญาณของเราพัฒนามากขึ้นไปแล้วกนะ็อาศัยธรรมะอันนี้แหละศนะีล ส, สมาธิปัญญานี่แหละการเจริญสตินี่แหละ ช่วยให้เราพ้นโลกไปเป็นลำดับลาดับงั้นธรรมะนะเรียนแล้วได้รับประโยชน์ได้รับความสุขพระพุทธเจ้าท่านถึงสั่งนะว่าพระสาวกของท่านโดยเฉพาะพระอาหารหันรุ่นแรกๆนะท่านสั่งบอกให้แยกย้ายกันไปประกาศธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดนะเพื่อประโยชน์และความสุขของมห า, หาชนจำนวนมาก ตอนนั้นถ้ามีพระอรหันต์ในสังกัดท่านนะยังไม่ถึงร้อยองค์ไม่ถึงร้อยองค์ 60- สิเจองค์ไม่ถึงนะัท่านก็ส่งให้แยกย้ายไปบอกว่าอย่าไปทางเดียวกันหลายๆองค์ให้แบ่งกันไปทํางานท่านให้แต่ละองค์ฉายเดี่ยวเพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละองค์นั้นเต็มที่แล้งั้นท่านประกาศชัดเจนเลยว่าธรรมะของท่านเนี่ย จะทําให้คนทั้งหลายจํานวนมากได้รับประโยชน์และได้รับความสุขประโยชน์มีตั้งแต่ประโยชน์ธรรมดาอยู่กับโลกเนี่ยจนประโยชน์อันยิ่งประโยชน์ที่จะพ้นโลกความสุขก็มีตั้งแต่ความสุขอยู่ในโลกจนความสุขเหนือโลกขึ้นเป็นลําดับลําดับสิ่งที่ท่านไปประกาศนะที่ว่า ง, งดงามนักหนาแล้วก็เป็นไปเพื่อคนจํานวนมากด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะ ของคนจํานวนน้อยเด็กคนจํานวนมากท่านจะแจกแจงธรรมะให้คนนี้คนระดับนี้กลุ่มนี้เหมาะกับธรรมะแค่นี้ท่านก็ให้แค่นี้เขาก็ได้รับได้ประโยชน์ได้รับความสุขแค่นี้นะคนในยินศรีแก่กล้าขึ้นไปท่านก็สอนธรรมะที่ละเอียดที่ประณีตขึ้นไปเป็นลําดับลําดับเขาก็ได้ประโยชน์ได้รับความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปงั้นธรรมะในทางศาสนาพุทธนะมีเป็นลําดับลําดับไป พวกเรามีสติมีปัญญามีศรัทธาแก่กล้าแค่ไหนนะภาคเพียรได้แค่ไหนเราก็ได้รับผลพอสมควรกับสิ่งที่พวกเราทำยุติธรรมที่สุดถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าทำก็ได้แต่ทำให้ถูกหลักทำให้ถูกหลักมันก็ไม่ได้ผลอะไรเสียเวลาแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะการจะฝึกหัดปฏิบัติธรเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่พวกเราจะได้มาคือเราจะได้ปัญญา งั้นถ้าใครเขาถามเรานะว่าตัวศาสนาพุทธแท้ๆเลยที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยสุดท้ายเราจะได้อะไรนะเราจะได้ปัญญาสัมมาทิฏฐิจะมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเรียกว่าตัวเราคือรูปกระนำคือกายกระใจเรามีปัญญารู้แจ้งตรงนี้นเรามีปัญญารู้แจ้งตรงนี้ใจจะค่อยๆ ค, คลายความยึดความถือในกายในใจออก ถ้าไม่ยึดถือในกายในใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกก็ทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่ทํำยังไงจะเกิดปัญญาจิตใจจะเกิดพัฒนาการขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ที่จะเห็นความจริงได้ว่าทั้งกายทั้งใจเป็นตัวทุกข์พวกเราเคยได้ยินไหมธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทั้งบังคับไม่ได้อาบาังคับไม่ได้แล้วปฏิบัติได้ยังไง ก็น่าสงสัยเหมือนกันนี่เพราะจิตก็เป็นอนัตตานะนจิตเป็นอนัตตาแล้วจะทำให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นีมันมีแต่คาว่าอนัตตานะบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากแล้วจะฝึกเหมือนได้ยังไงโดยตัวธรรมชาติของจิตใจเองนะตัวจิตเนียเป็นอนัตตาจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับก็จริง แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้อย่างเราเด็กนะเรามีเด็กสักคนเราเลี้ยงเด็กเราเห็นหั้ยเราบังคับเด็กไม่ได้จริงอะแต่เราฝึกเด็กได้เราป้อนข้อมูลที่ดีป้อนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กเนะเด็กก็ดีขึ้นมาได้พัฒนาได้แต่เราจะสั่งว่าอยู่ๆไปสั่งว่าเด็กจงเป็นคนดีเด็กจงเรียนหนะังสือเก่งเลยมันไม่ดีมันไม่เก่งอะมันไม่เป็นเตนเป็นตามที่เราสั่งหรอกแต่มันฝึกได้ จิตนี้ก็เหมือนกันจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ทั้งๆที่เป็นอนัตตานี่แหละแต่ฝึกได้สติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะแต่ถ้าทำเหตุถ้าสติมีเหตุนะสติก็เกิดถ้าไม่มีเหตุให้เกิดสติสติก็ไม่เกิดงั้นทำทั้งหลายถึงจะเป็นอนัตตาก็จริงแต่เราต้องรู้ว่าทำทั้งหลายเนี่ยถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิด บางคนก็ว่ามันเป็นอนัตตาก็ปล่อยมันไปตามยถ า, ากรรมได้ไหมปล่อยไปตามยถ า, ากรรมไม่ได้จิตมีธรรมชาติเหมือนน้าไหลลงต่าตลอดเวลานะจงใจปฏิบัติก็ไม่ได้อีกนะไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อีกตกลงแล้วจะเอาไงดีเราก็ฝึกมันวิธนะีฝึกมันนะก็ฝึกเป็นลำดับลาดับไปมันตรนีทีเหนียวมากก็รู้จักทาทานอะรอย่างี้นะ มันช่างอาฆาตช่างแค้นที้เขามากก็รู้จักให้อภัยซะบ้างนะทีแรกก็ฝืนใจให้อภัยนะพอให้อภัยได้ใจก็โลง่งขึ้นมาใจมีความสุขเริ่มเห็นประโยชน์ละนะหรือจิตใจเราไม่เคยมีศีลนะหัดถือศีลซะบ้างนะถือศีลไปเรื่อยๆนะถึงจุดในเดียจะเห็นว่าถือศีลแล้วมีความสุขถือศีลแล้วได้รับประโยชน์นะไม่ใช่ถือศีลแล้วทุกทรมานนะี่ค่อยๆให้เขาเรียนรู้ไปนะ มาถึงขั้นการภาวนาจิตใจนะปกติร่อนเร่จรจัดนะจิตจรจัดจริงๆไม่อยากบอกเหมือนสุนัขจรจัดก็หยาบคลายไปนะจะเหมือนนะร่อนเร่ไปเลยเลยหาอยู่หากินไปคุ้ยเขีย่ยขยะที่น่นที่นี่ไปจิตเรานะมันหิวโหวยอยู่ตลอดเวลานะเที่ยวคุย้ยเขีย่ยหาอาหารกินไปเรื่อยคือหาอารมณ์นั่นเองนะ กาจิตนี่มันดิ้นเล่าเๆๆาอยู่มันเคยชินที่จะหลงมันเคยชินที่จะปรุงแต่งมันเคยชินที่จะดิ้นรนจิตมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือไหลไปตามความเคยชินมันเคยชินที่จะหลงมันก็จะหลงบ่อยเคยชินที่จะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านบ่อยเคยชินที่จะปรุงแต่งก็ปรุงบ่อยนะเคยจะชั่วก็ชั่วบ่อยอย่างคนไหนขี้โมโหสังเกตดูคนขี้โมโหนะมันเบื้องต้นเหมือนกับว่าหัดโมโหนิดนิดหน่อยๆน่อยก่อนต่อไปก็โมโหมากขึ้นมากขึ้น หรืออย่างคนฆ่าสัตว์ฆ่าคนได้นะทีแรกก็ฆ่าตัวเล็กตัวน้อยก่อนฆ่านกฆ่าหนูฆ่าจิ้งจกฆ่าตุ๊กแกเลยค่อยๆพัฒนานะสุดท้ายพัฒนาไปได้ฆ่าคนก็ได้เนะนี่ยมันมาจากจุดลำต้นเล็กๆนั่นเองจิตมันเคยชินที่จะชั่วเคยชินที่จะขาดสติลืมเนื้อลืมตัวอยู่ตลอดเวลางั้นจิตของเราเนี่เราสั่งให้มีสติมันจะไม่เคยมีเลย สั่งให้มันดีมันจะไม่ดีหรอกเพราะมันเคยชั่วสั่งให้มีสติมันไม่มีสตินะเพราะมันเคยแต่ขาดสติมันเคยแต่ไหลลงไปที่ต่ำเคยแต่วิ่งไปหาอารมณ์ด้วยความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาความเคยชินของเขาเป็นอย่างนี้นี่เราจะฝึกเขาอย่างไงเราก็พัฒนาความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมานะเขาเคยชินที่จะทำบาปอกุศลเราไม่ทานะเขาเคยชินที่จะขาดสติเราฝึกให้มีสติขึ้นมาเคยชินที่จะหลงโลกมองโลก โดยไม่ตรงตร ง, ตรงความเป็นจริงนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวเรามีตัวเขานะมีสัตว์มีคนมีเรามีเขาเนะนี่มันเคยชินที่จะเห็นแบบนี้เราค่อยๆฝึกนะฝึกจิตฝึกใจพัฒนามันขึ้นมาวิธีที่จะฝึกให้มันเกิดความเคยชินฝ่ายที่ดีอันใหม่ๆ ใ, ในการเจริญสติเจริญปัญญาก็คือฝึกให้มีสติบ่อยๆจิตนั้นขาดสติโดยธรรมชาติพวกเรามาเรียนอยู่ช่วงหนึ่งเรารู้สึกไหม เผลอ บ, บ่อยไหลแวบแวบแวบนะเผลอตลอดวันนะ่ะเดี๋ยวก็แวบไปเดี๋ยวก็แวบไปแวบทีหนึ่งนานนานทีแวบไปทีหนึ่งตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยไม่รู้สึกตัวเลยนะพอเรามาหัดเจริญสติรูสิรู้สึกตัวได้แวบเดียวหลงไปห้านาทีรู้สึกตัวแวบหนึ่งหลงไปสิบนาทีทําไมหลงมันยาวกว่ารู้เราไม่เคยชินที่จะรู้เราเคยชินแต่จะหลงนะนี่เราต้องค่อยๆสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกตัวขึ้นมา วิธีที่จะสร้างความเคยชินให้จิตมันเกิดความรู้สึกตัวนะมีสติขึ้นมาก็ต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตที่ขาดสติคือจิตที่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจงั้นเรามาหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจนะหัดรู้สึกบ่อยๆจะสั่งให้รู้สึกได้ไหมสั่งไม่ได้ไม่ได้จริงนะแต่ว่าเราต้องค่อยๆหัดไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึก ยืนคอยรู้สึกนั่งนอนคอยรู้สึกนะเดินคอยรู้สึกหัดคอยรู้สึกไปเรื่อยๆมีความสุขขึ้นมาก็คอยรู้สึกเอารู้ทันว่าออกความสุขเกิดขึ้นในกายความทุกข์เกิดขึ้นในใจหรือความทุกข์เกิดในกายในใจนะเนี่ยวนเวียนอยู่อย si ่างนิ tam, os, ่งนะคอยคอยรู้สึกเอานะเวทนาก็เกิดขึ้นในกายบ้างในใจบ้างเวทนาเกิดในกายก็มีสุขมีทุกข์นะเวทนาเกิดในใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆ นวนเวียนเราก็ค่อยหัดรู้ไปตอนนี้ใจมันมีความสุขขึ้นมาก็รู้ใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ใจเฉยเก็รู้ร่างกายมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็รู้นะมันหายปวดหายเมื่อยก็รู้ค่อยรู้สึกอย่างนี้นี่ เ, เป็นการหัดรู้จักสภาวะของเวทนาต่อไปก็หัดรู้สภาวะที่เป็นนามธรรมที่เป็นความปรุงของจิตเรียกว่าสังขาร จิตมีปีติก็รู้นะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้โลบขึ้นมาก็รู้โกรธที่มาก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้สงสัยก็รู้หัดรู้บ่อยๆการที่เราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองถ้าเราจงใจให้เกิดนะเช่นเราตั้งใจต่อไปนี้เราจะไม่เผลอเลยแล้วก็มารู้ลมหายใจหายใจออกคอยรู้หายใจเข้าคอยรู้เราจ้องไม่ให้เผลอไปที่อื่นเลย อันนี้มีโลภะเจตนาซ่อนอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติมีความโลภนะโลภอะไรโลภอยากจะดีอยากจะรู้สึกตัวอยากจะให้เกิดสติอยากจะให้เกิดปัญญามีความโลภอยู่ตราบใดที่ยังมีโลภะอยู่เนี่ยสติแท้ๆไม่มีหรอกสติแท้ๆไม่เกิดร่วมกับโลภะหรอกนะนี่เราต้องหัดเจนกระทั่งจิตมันเคยชินที่จะเกิดสติหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้ววันนึงสติเกิดเอง ตรงที่สติเกิดได้เองเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านชอบใช้คำว่ามหาสติเพราเราเคยได้ยินไหมมหาสติมหาปัญญาอะไรเนี่ยทีครูบาอาจารย์ใช้มหาสติก็คือสติอัตโนมัติและมหาปัญญานะปัญญารู้แจ้งความจริงของกายของใจโดยอัตโนมัตนะิก่อนจะมีปัญญาอัตโนมัตินะต้องฝึกให้มีสติอัตโนมัติก่อนถ้าขาดสติไม่มีปัญญานะเราค่อยๆฝึกหัดดูสภาวะไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจิตมันเห็นสภาวะได้เอง พอจิตมัเห็นสภาวะปุ๊บโดยที่ไม่เจตนานะจิตมันจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจะตื่นขึ้นมาเต็มที่เลยมันจะเห็นความจริงเลยว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยที่พวกเราฝึกกับหลวงพ่อนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นแสนนะมีไปทั่วโลกเลยนะแต่ละประเทศแต่ละประเทศเริ่มไปรวมกลุ่มกันดูจิตนะดูถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไปดูอะไรก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าพยายามจะดูนะในการที่พยายามจะรู้นะ จงใจรู้ก่อนเบื้องต้นจงใจรู้จงใจรู้สติยังไม่เกิดแต่ว่าพอหัดตามรู้สภาวะมากเข้ามากเข้านะถึงจุดหนึ่งสติมันเกิดนะแล้วมันมีปัญญาขึ้นมาด้วยอย่างหลายคนหัดรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยนะใจลอยไปแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้อะไรเงี้ยหรือโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้นะฟุ้งซ่านก็รู้หดหูก็รู้สุขก็รู้ทุกก็รู้หายใจออกหายใจเข้าก็รู้หัดรู้ไปเรื่อย ถึงวันหนึ่งเนะี่ยอยู่ๆขึ้นมาเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่ส่วนใหญ่จะตอนอาบน้ำํำพวกเราสังเกตไหมอาบน้ําถูสบู่ถูขี้ใครถูอะไรแน่ตกลงถูตัวถูถูไปนละ้วมันสติปัญญามันเกิดขึ้นมามันเห็นเลยตัวที่กําลังรูปอยู่เนี่ยเป็นวัตถุเท่านั้นเองเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองนี่มันเกิดปัญญาแล้วนะมันมีสติที่แท้จริงนะี่มันะระลึกลงไปโดยที่ใจนี่ไม่เข้าไปแทรกแสง สักว่ารู้สักว่าเห็ น, นจริงจริงไม่ใช่พอเราลึกรู้อันนี้ก็ใจก็ภาคต่อเลยไหมอันนี้คืออันนี้อันนี้คือนนี้นะงั้นพอสติมันระลึกนะั้นอย่างอาบน้ําอยู่ถูสบู่อยู่ปั๊บมันระลึกขึ้นได้ น, นี่เป็นแค่รูปเท่านั้นไม่ใช่เรานะบางคนพอเห็นว่าไม่ใช่เรานะใจสะเทือนขึ้นมาเลยตกอกตกใจขึ้นมาเลยว่าตัวเราหายไปบางคนก็เบื่อขึ้นมาเลยบางคนก็รู้แจ้งขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีนะ แล้วแต่ว่าจิตใจนั้นมีคุณภาพระดับไหนแต่ตอนนี้คนที่สามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมีไม่รู้จํานวนเท่าไหร่แล้วนะมีเป็นพันพันคนนะที่เรียนการที่เราเรียนจนเราสามารถเห็นนะโดยไม่เจตนาจะเห็นเนะนี่ยคือการรู้จริงๆถ้ายังเจือด้วยการคิดอยู่ไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงอย่างเชนเรานั่งถูไฟแล้วก็นั่งคิดนะนี่ไม่ใช่ตัวเรานะนี่ไม่ใช่ตัวเรานะนั่งคิดอยู่านีย้ยังไม่รู้จริง แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยนะแล้วใจมันตั้งมั่นขึ้นมาวิธีฝึกให้ใจตั้งมั่นก็มีเหมือนกันเราคอยสังเกตใจของเราใจของเราชอบไหลไปไหลมาเดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดใจที่ไหลไปไหลมาเรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นนะแต่ใจที่เข้าไม่ไหลนะแต่เข้าไปจอนิ่งๆอยู่กับอารมณ์มันเดียวก็ไม่เรียกว่าใจตั้งมั่นเราเรียกว่าเพ่งเอาไวา้ ใจที่ตั้งมั่นเนี่ยใจมันรู้เนื้อรู้ตัวใจมันเบิกบานใจมันเบาใจมันสบายใจมันทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองนี่ใจมันจะเกิดสภาวะอย่างนี้ได้นะเราหัดรู้ไปเวลาใจเราหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังอะไรเนี่ยโดยเฉพาะหลงไปคิดใจชอบหลงคิดทั้งวันน่ะใจหลงไปคิดเรารู้ใจหลงไปคิดเรารู้อันนี้จะฝึกได้ทั้งสติฝึกได้ทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นใจหลงไปคิดล้วก็รู้สึกนะ เราก็เห็นเลยเมื่อกี้หลงไปคิดตอนนี้รู้ขึ้นมาคนละอันกันรู้รู้กับคิดนี่คนละอันกันนะแล้วตรงที่รู้ว่าหลงไปคิดนะความหลงไปคิดดับไปค ว, ความหลงความไหลออกไปดับนะใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งขึ้นชั่วขณะนะนี่เราค่อยๆฝึกไปการที่รู้ว่าใจหลงไปคิดใจหลงไปคิดนะฝึกบ่อยๆนะสติและสมาธิจะมีขึ้นมาเป็นวิธีเรียนแบบรวบยอดเลยนะเรียนง่ายที่สุดเลยมีทั้งสติทั้งสมาธิรวบขึ้นมาในที่เดียวกันเลย งั้นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อพูดถึงท่านบ่อยๆนะท่านเป็นพระดีหลวงพ่อไม่ใช่รู้สิทิ์ท่านคนละสายคนฝึกมาคนละแนวหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่าหลวงพ่อเทียนมาอีกแนวแล้วไม่เอาพุทธโทเลยตรงข้ามกันเลยนะคล้ายๆว่าเป็นปฏิปกักษ์ตรงข้ามเสร็จแล้วลงไปที่เดียวกันนะท่านสอนไว้อย่างเด็ด ด, ด, ดวงมากเลยท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตชิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติ ถ้ารู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะเวลาที่จิตไปคิดเรารู้ทันเนี่ยเรียกว่ามีสติจิตมันฟุ้งซ่านไปรู้ทันความฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะต่ไปสติมันเกิดรู้ว่ามันไหลไปรู้ว่ามันไหลไปคิดมันไม่ตั้งมั่นตราไปความตั้งมั่นมันจะเกิดนะตรงที่มันไหลไปเขาเรียกว่าอุทธัจฉะความฟุ้งซ่านพอมีสติรู้ทันจิตก็ไม่มีอุทธัจฉะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งได้ทีละแบบเดียว งั้นการที่พวกเราจิตห ล, ล, ลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ฝึกตรง น, นี้บ่อยๆนะจิตจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวเนี้ยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยสติอัตโนมัตินะประกอบด้วยสมาธิอัตโนมัติสมาธินี้ไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ได้จงใจประคองไม่ได้จงใจบังคับเอาไว้สมาธิเกิดเองสมาธิที่ยังจงใจบังคับอยู่ใจจะแน่นๆอย่างที่พวกเราหัดสมาธิกันนะอย่างบางคนนั่งหายใจหายใจ นั่งเราก็แน่นๆขึ้นมานะอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วก็เราทศละาถ่วยเคลิมไปนะขาดสตินั่งแล้วแน่นๆเนี่ยนะอัดไว้ไม่ใช่สมาธิที่ดีนะแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตห ล, ลงไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้มานั่นเราเรียนกรรมฐานนะเอาง่ายๆเลยง่ายสุดๆเลยนะไม่รู้ว่าอะไรจะง่ายกว่านี้อีกละแต่ไปนี้จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ฝึกบ่อยๆ พอฝึกตรงนี้ชํานาญต่อไปพอจิตไหลไปคิดสติเกิดเองพระจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปสมาธิเกิดขึ้นเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองมีทั้งสติมีทั้งสมาธิถ้ามีทั้งสติมีทั้งสมาธิในขณะใด น, นะขณะนั้นถ้าสติระลึกรู้ลงในสิ่งใด ส, สิ่งนั้นจะไม่ใช่ตัวเราอย่างพอใจเราตื่นขึ้นมาที่หลวงพ่อเรียกว่าใจมันตื่นใจมันตื่นนะัคือมันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิที่ถูกต้อง พอใจมันตื่นขึ้นมานะมันจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนที่เคลื่อนไหวที่ขยับเคยื่อนอยู่นี่ไม่ใช่เราเลยเห็นทันทนะีรู้สึกเลยสัมผัสลงไปไม่มีเราตรงไหนเลยนะจะรู้สึกรู้สึกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์นะก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีเราอีกแล้วเนะี่ยใจมันจะเกิดปัญญาเห็นเลยทั้งในกายก็ไม่มีตัวเราทั้งในจิตใจก็ไม่มีตัวเรานะ ฝึกมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะรูปไม่ใช่เรานะไม่มีเราในรูปไม่มีเรานอกเหนือจากรูปไม่มีเรานี่ไหนในที่ใดเลยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นศัก์แต่ว่าสภาวะรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนื่องจจะเห็นความจริงตรงนี้พอใจมันเห็นความจริงตรงนี้นะมัจะเริ่มคลายความยึดถืออยู่ แต่เดิมเรายึดถือเหนียวแน่นนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรารู้สึกไหมนี่คือตัวเราพวกเราลองนึกถึงก่อนที่จะมาหัดเจริญสติเรารู้สึกไหมว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเราพอเรามาหัดเจริญสติอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกไหมนี่มันเปลี่ยนสถานะไอ้นี่ร่างกายของเรารู้สึกไหมไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่เป็นร่างกายของเรามันลดดีกรีลงแล้ะอะไรยังเป็นตัวเราอยู่จิตยังเป็นตัวเราอยู่จิตที่เป็นคนรู้เนี่ยเรารู้สึกมีตัวเราขึ้นมานะ ถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าเราพบอีกว่าความรู้สึกเป็นตัวเรานั้ก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นในจิตเป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีนะมันเป็นแค่ความปรุงของจิตความคิดของจิตที่ปรุงขึ้นมาเป็นคราวๆนี้พอเรามีสติขึ้นมานะจิตก็ไม่หลงปรุงตัวเราไม่มีพอขาดสติจิตไปหลงไปปรุงตัวเรามีแต่เดิมนั้นมันหลงตลอดเวลามันปรุงตลอดเวลามันก็เลยมีเราอยู่ตลอดเวลาเลยสําคัญมั่นหมายอย่างเดียวแน่นว่ามีตัวเรานะ นี่เราหัดมีสติขึ้นมาตอนที่มีสติขึ้นมาตัวเราจะหายไปนะกายไม่มีเราใจไม่มีเราเป็นคราวๆนะเป็นขณะขณะขณะไปแต่ไปจิตเคยชินที่จะรู้สึกอย่างเนี้นนะรู้สึกตัวได้บ่อยรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะปัญญามันพอนะมันจะเห็นเลยว่าทั้งจิตก็ไม่ใช่เรานะจิตเป็นแค่นำมธทำมันหนึ่งเป็นแค่สภาวะรรมันหนึ่งไม่มีตัวเราในตัวจิตนี้หรอกพอตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเราคราวนี้จะไม่เหลืออะไรเป็นเราอีกแล้วอย่างพวกเราตอนนี้ที่หัดภาวนาเนี่ย เบื้องต้นเราเริ่มเห็นแล้วนี่กายนี้ไม่ใช่เราแล้วเป็นแค่กายของเรานะแต่จิตเป็นตัวเราฝึกมากๆเขา้าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นจิตของเราได้ไหมจิตของเราก็ไม่ได้มันไม่มีเรานะค่อยฝึกไปเรื่อยนะค่อยๆพัฒนาไปฝึกจนสติมันอัตโนมัติด้วยการที่หัดรู้สภาวะบ่อยๆ อ, อะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกบ่อยๆแล้วสติอัตโนมัติจะเกิดนะ รู้ทันใจที่ไหลไปใจที่หลงไปเรื่อยๆต่อไปสมาธิอัตโนมัติมันจะเกิดสมาธิอัตโนมัติจะเกิดเป็นขณะขณะนะเรียกว่าคณิกะสมาธินี่บางคนนะเรียนมากๆหน่อยชักสงสัยว่าทาไมหลวงพ่อสอนไม่เหมือนในตํำรับตํารามีตําราอ้างอิงไหมตําราเนะั้นหายากนะในสมัยพุทธกาลพวกเราเคยอ่านหลวงพ่อเคยเขียนไว้เรื่องพระโปธีระรู้สึกไหมพระโปธีระแตกฉานพระไตรปิฎกนะ รู้ปริยัติแตกฉานมากเลยแต่พระโพธิละเริ่มต้นปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติได้ยังไงธรรมะมีเยอะแยะไปหมดเลยจะรักษาศีลหรอือวันนี้จะทําสมาธิวันนี้จะเจริญปัญญาหรื อ, อยังไงท่านไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนท่านทําไม่ถูกวันหนึ่งท่านไปเรียนกับเนนพระผู้ใหญ่นะเรียนกับเด็กนะเนี่ยใจถึงจริงๆไม่ใช่ว่าเด็กต้องเชื่อผู้ใหญ่อย่างเดียวผู้ใหญ่ที่รู้เนื้อรู้ตัวว่ารู้ไม่เท่าเด็กว่ถามเด็กได้เหมือนกัน วพระโพธิละใจเด็ดนะั้นไปถามเนนว่าจะปฏิบัติอย่างไงเนนสอนง่ายๆเลยนะเนนชี้ให้ท่านดูจำปลวกอันหนึง่งบอกมีจำปลวกเก่าอยู่อันหนึง่งปลวกคงไม่อยู่แล้วล่วละจำปลวกอันนี้เป็นโพรงอยู่ข้างในนะมีเหี้ยตัวหนึ่งนะเหี้ยภาษาไทยนะไม่ใช่คำหยาบนะเหี้ยเฉยๆ เ, เป็นชื่อโหสัตว์ชนิดหนึ่งนะไม่ใช่คำหยาบนะมีเหี้ยอาศัยอยู่ในจำปลวกเนี่ยแล้วมันเจาะรูเข้าออ ก, กได้หกรู เน้นชี้ให้พระโพธิละดูบอกว่าถ้าท่านอาจารย์จะจับเพี้ยตัวนี้นะท่านอาจารย์อุดซห้ารูปิดห้ารูเปิดไว้รูเดียวเดี๋ยวมันต้องออกมาทางรูนี้แหละพระโพธิลาก็เข้าใจวิธีปฏิบัติเลยเห็นไหมตำหับตำรามีเยอะนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มที่จิตนี่เองนะรูห้ารูนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะรูที่เปิดเอาไว้นะคือรูใจนะ ตากระทบรูปนะศักแต่กระทบไปนะไม่ห้ามนะมีตาก็ต้องมองเห็นรูปไม่ใช่ปิดตาคําว่าปิดรูนะั้นไม่ใช่แปลว่าปิดตาหมายถึงว่ามีสติพตาเห็นรูปจิตเกิดความหวั่นไหวรู้ทันที่จิตนี่นะหูได้ยินเสียงจิตเกิดความหวั่นไหวรู้ทันที่จิตนี่จมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนะจิตเกิดความหวั่นไหวรู้ทันที่จิตนี่สมมติว่าเราเดินไปที่ที่หนึ่งนะเราหันช้ำเลืองนึกว่าสาวๆอยู่รอบตัวเราแยะเลย อยู่ๆมีคนมาสกิดเราเนี่ยสกิดเราข้างหลังเรานึกว่าสาวสกิดใช่ไหมเราก็ดีใจดีใจให้รู้ว่าดีใจนะอันไปดูอาคนขอทานเป็นโลกเรื้อนมาสกิดนะจะขอสตังสยดสยองใช่ไหมขยะขยงรู้ทันที่ใจใช่อะไรเกิดขึ้นนะมารู้ทันใจไหะเนี่ยทวารใจนี่แหละตัวสำคัญเริ่มกรรมฐานเริ่มที่ทวารใจนี่เอง นั้นมีใจที่เป็นผู้รู้ใจที่เป็นผู้ตื่นใจที่เป็นผู้เบิกบานขึ้นมาค่อยรู้เนื้อรู้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั้นเราไม่ห้ามการกระทบอารมณ์ให้เขากระทบไปตามธรรมชาติธรรมดาพอเขากระทบแล้วนะความกระเพื่อมหวั่นไหวความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตในหะ้มีสติรู้ทันบ่อยๆไปต่อไปมันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะีชั่วคราวหมดเลยทําไมต้องมารู้ที่จิตตามมาเห็นรูปแล้วรู้ที่ตาได้ไหมรู้อย่างนั้นก็ได้แต่จิตจะไม่ทํางานต่อ อย่างบางคนพอตามองเห็นนะจะกาหนดอยู่ที่ตาเลยบางคนตรงที่ตาเนี่ยกหนดได้หลายแบบบางคนกำหนดรูปที่มองเห็นกาหนดรูปพอตามองเห็นสมมติหลวงพ่อมองเห็นนาฬิกานีกำหนดรูปดูลงไปนี่คือสีที่เป็นรูปทรงอย่างนี้กำหนดลงไปว่าไม่ใช่นาฬิกานี่เป็นสีอันี้คิดเอาคิดเอาเป็นสมถะนะบางคนกาหนดอยู่ที่การกระทบ คอรู้ตรงที่ตากระทบรูปตรงนี้รู้ด้วยใจนะรู้ผัสสะรู้ด้วยใจรู้แล้วจิตจะนิ่งเป็นสมถะเหมือนกันนะบางคนกําหนดอยู่ที่ประสาทตาจากขูประสาทจอรับรูปอ่นะที่ประสาทตานะอะไรกระทบมาแล้วก็รู้อยู่ที่ประสาทตาจิตก็นิ่งนะเป็นสมถะอีกไปเพ่งเอาให้นิ่งนะไปเพ่งประสาทตานะนี่เพ่งอะไรนะก็นิ่งหมดเลยเราะฉั้นเวลาตากระทบรูปเนี่ยนะอย่าไปยุ่งกับมัน ตากระทบรูปแล้วเนี่ยจิตเกิดความยินดียินร้ายนะรู้ทันมันถ้าเราไปกําหนดอยู่ที่ตาปั๊บเนี่ยวิธีของจิตจะขาดลงเพราะการแทรกแซงของเราถ้าเราเข้าไปแทรกแซงนะวิธีจิตนี้ขาดไปเลยแล้วก็บอกไม่มีกิเลสถามว่าตรงนั้นมีกิเลสไหมลึกลงไปคือโลภะเจตนาที่จะแทรกแซงนะมีกิเลสเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะไปแทรกแซงแต่ตอนที่ตากระทบรูปเนี่ยถามว่ามีกิเลสไหมตรงที่ตากระทบรูปนะจิตไปรู้รูปจิตที่รู้รูปเขาเรียกว่า จักขวิญญาณจิตจิตตัวนี้เป็นวิบากจิตไม่มีดีไม่มีร้ายไม่มีกิเลสหรอกไม่มีกุศลด้วยนะเพราะฉนั้นจะให้เกิดกุศลอยู่ที่ตาตอนตามองเห็นรูปไม่มีกุศลที่เกิดตรงนั้นไม่มีอาภูศลที่เกิดที่นั้นงั้นเราอย่าไปแทรกแซงวิถีการทํางานของจิตให้เรามีสติรู้ทันไปรูปบางรูปไม่มีไนยะจิตเห็นแล้วก็ไม่สนใจก็ผ่านไปจิตไม่กระเทือนอย่างนี้ใช้ได้ไม่กระเทือนเพราะว่ามันไม่กระเทือนเองนะ ต่อไปถ้าตากระทบรูปแบบ น, นี้หม้มันสวยมากนะจิตยินดีพอใจขึ้นมานี่มีสติรู้ทันจิตที่ยินดีพอใจนี่ปล่อยให้จิตมันทํางานตามธรรมชาติอย่าเข้าไปแทรกแซงมันเพราะงั้นตามรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดมันให้ออกไปรับอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดาพราะมันรับอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดาแล้วนี่มีสติรู้ทันนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยสอนพระพระอะไรลืมชื่อไปแล้วนะท่านชี้ให้ พระเน่ยดูรถรถทรงรถของพระเจ้าแผ่นดินนะท่านบอกว่าพิสูจทั้งหลายเธอจงดูนะโลกเนี่ยโลกเนี่ยให้ดูโลกนะซึ่งมันวิจิตรพิสดารงดงามเหมือนราชรถทรงของพระราชาท่านไม่ได้บอกว่าภิสูุทั้งหลายห้ามดูโลกนะท่านให้ดูนะให้ดูโลกแต่ว่าท่านบอกต่ออีกว่าคนเข่าเนี่ยพากันติดอยู่ผู้รู้ไม่ติดออก เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะทางใจเช่นอยู่ๆก็คิดขึ้นมาก็คิดขึ้นมาจิตยินดีขึ้นมารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาคอยรู้ทันคอยรู้ทันอยู่ตรงนี้บ่อยๆไม่นานเราจะเห็นในทุกสิ่งเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปรูปที่ผ่านมาให้เห็นก็อยู่ชั่วคราวนะจากขูวิญญาณจิตจิตที่ไปรับรู้รูปก็อยู่ชั่วคราวนะ ความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในจิตก็อยู่ชั่วคราวนะกูสนกูศ น, นทั้งหลายก็อยู่ชั่วคราวเราหัดรู้ไปเรื่อยจนเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของชั่วคราวนะพวกเราเวลาหัดทํากรรมฐานนะไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบถ้าฝึกเอาดีเอาสุขเอาสง บ, งสสงบนั้นได้สมถะแต่เราฝึกให้เห็นความจริงเลยทุกอย่างเป็นของชั่วคราวฝึกให้เห็นตรงนี้นะทำไมต้องเห็นตรงนี้เพราะพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้ เราต้องพยายามเรียนแบบท่านไว้ก่อนนะอย่างพระโสดาบันท่านมีศีลห้าเราก็ต้องมีศีลห้าไว้เอาอย่างไว้ก่อนนะอย่างดีๆเอาไว้ก่อนพระโสดาบันท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแล้วก็พยายามมามองในมุมที่ท่านเห็นท่านมองในมุมนี้ท่านเลยเป็นพระโสดาบันได้งั้นเรามาหัดรู้สึกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายรู้สึกไหมร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวก็เปลี่ยนมาเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่นั่งอยู่ไม่นานก็เปลี่ยนอิริยาบถไปนะ เนี่ยมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวทนาตอนนั่งทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งไปนั่งมาปวดเมื่อยขึ้นมาปวดเมื่อยนะขยับเปลี่ยนทิศยาบทความปวดความเมื่อยก็ดับไปอีกเนะนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นเลยทั้งความยินดีความยินร้ายกุศลทั้งอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้น งั้นพวกเราหมั่นนะตามรู้ไปรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นกายเห็นใจนี่มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันทํางานมันเกิดมันดับไปเรื่อยๆบางคนบอกไม่เคยเห็นความเกิดดับเลยเนี่ยอดีตฉันเมื่อวานก็มีไปส่งกันบ้านที่ฉันไม่เห็นความเกิดดับหรอกเห็นแต่ว่าความโกรธมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปบอกว่านั่นแหละเกิดดับละนะเพียงแต่ว่ามันไม่บอกนะตอนนี้เกิดแล้วนะเธอตอนนี้ดับแล้วนะเธอมันไม่บอกเท่านั้นเองนะแต่เห็นนะมันเห็นอยู่ เห็นไหมความความสุขอยู function, qui, ่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายการที่มีแล้วก็ไม่มีหรือเคยไม่มีแล้วกลับมีอันนี้แหละคืออนิจจ์นะแล้วการสิ่งที่มันมีอยู่นะมันมีอยู่ได้ไม่ตลอดไปหรอกนี่เรียกว่าทุกขังนะมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาทนอยู่ไม่ได้แล้วมันจะมีอยู่มันจะตั้งอยู่นะมันจะเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่หรือมันดับไปนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตามเราสั่งอันนี้เรียกว่าอนัตตา อนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาหมายถึงว่าถ้ามีเหตุแล้วก็มีถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีเราสั่งไม่ได้ตามใจชอบนะอย่าไปแปลอนัตตาไปว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยบางคนก็น้อมจิตไปอยู่กับอนัตตาอยู่กับความว่างไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะงั้นเราพยายามดูนะพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกตัวบ่อยๆเบื้องต้นไม่รู้จะภาวนายังไงเอาง่ายที่สุดเลยนะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิด นะวันนี้ให้กันบ้านอย่างนี้นะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดพอทําไหวไหมออพยักหน้าเป็นแถวเลยขอให้ทําก็แล้วกันถ้าทํานะเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยเมื <S <S <S <S <ๆ>่ออาทิตย์ก่อนนะมีโปรเฟสเซอร์มาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวมาสัมภาษณ์หลวงพ่อนะว่าทําไมการดูจิตมันบุมมากทําไมหลวงปู่ดุลเป็นองค์แรกนะที่สอนเรื่องการดูจิตออกมา สมัยหลวงปู่ดุลไม่บูมมาบูมสมัยนี้บูมไปทั่วโลกเลยนะเนี่ยคนญี่ปุ่นมาบอกนี้บอกว่าไม่ใช่เพราะหลวงพ่อเก่งแต่เพราะสังคมมันเปลี่ยนคนในสมัยโบราณสมัยรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นชาวชนบทชาวไร่ชาวนานะทำไร่ทํานาไปมีเวลาว่างเยอะนะแล้วชีวิตของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากสิ่งที่เขาปรารถนาคือความสุขความสงบในชีวิต นั่นกรรมฐานที่เหมาะกับคนซึ่งปรารถนาความสุขความสงบในชีวิตนะคือการทําความสงบเพื่มาก่อนนี่พอทาความสงบทําสมถะนะจะทําง่ายเพราะใจมันอยากสงบพวกเราไม่มีวันสงบหรอกพวกเราคิดทั้งวันใช่หไหมตื่นก็คิดแล้วคิดไปจนนอนหลับหลับยังฝันต่อเลยนะคิดทั้งวันคิดทั้งคืนโอกาสที่จะทําความสงบนะ่ายากเต็มทีเลยนะแต่คนสมัยก่อนนะท่านทําความสงบง่ายสังคมท่านเงียบเงบนะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามป่าตามเขาเงียบเงียบวันวั น, วนไม่มีอะไร นั่นทาความสงบเข้ามานี่ทําความสงบแล้วกรรมาฐานที่เหมาะก็คือการดูกายนะเพราะว่าถ้าไปดูจิตนะจิตก็จะว่างนิ่งหายไปเลยใช้ไม่ได้ดูจิตไม่ได้เลยถ้าไปทําฌานมาก่อนนะแล้วก็ถ้าทําฌานแล้วย้อนมาดูกายเนี่ยจะดูได้ดีนะกระพรีก่กระเปล่านะจิตจะเคลื่อนไหวจิตจะเปลี่ยนแป ล, ปลมันจะเดินปัญญาได้นี่นบอกว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเก่งมาสอนเรื่องดูจิตได้เพราะาสังคมมันเปลี่ยนสังคมเป็นสังคมของคนเมืองสังคมที่คิดมาก สังคมที่เหน็ดเหนื่อยแต่ละวันนะกว่าจะสมสารกลับบ้านเหมือนนกปีกหักทุกวันเลยใครรู้สึกไหมบางคนไม่ใช่ปีกหักนะหางก็หักคอจะหกักมิหักแหล่อยู่แล้วนะพอไปนั่งสมาธิก็เป็นนกคอหักแล้วหักไปเลยนะหลับมันทําไม่ไหวสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำเนวยที่จะให้เราหาความสงบของจิตมากมากนะลึกๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสเราต้องภาคเพียนเอาเท่าที่เรามีทรัพยากรอันจํากัด นะเพราะงั้นเราพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากๆนะแต่ว่าถ้าคนไหนอยากได้มากผลนิพพานให้ไวๆหน่อยต้องใจเด็ดนะใจเด็ดจริงๆเลยตื่นเช้าให้เช้าขึ้นหน่อยนะแล้วก็มาทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยฝึกอย่างนี้นะตอนค่ำก็อดทนหน่อยนะอย่าเพิ่งรีบหลับตัดไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปไรายการละครหลังข่าวอะไรไม่จาเป็นนะไม่ดูก็ไม่ตายหลวเพ่อไม่เคยดูไม่เห็นตายเลยนะ เอาเวลาที่เหลือก่อนจะสลบเนี่ยมาจเจริญสตินะเนี่ยฝึกอย่างนี้แล้วเวลามีชีวิตประจำวันวก็พยายามดูของเราไปจะกินจะดืม่มจะทําจะพูดจะคิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนค่อยมีสติเรื่อยๆไปนะอาศัยการฝึกอย่างนี้พวกเราก็จะทํามรรคนิพพานให้เกิดขึ้นในชีวิตนี้ได้นะอาศัยปัญญานําอาศัยสตินําไปก่อนเพราะว่ามันจําเป็นที่ต้องทํานะนี่บอกโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่นไปนะว่าเราไม่ใช่คนเก่งนะ สังคมมันเปลี่ยนนะคนไม่มีทางเลือกอะ่ะอยางจะให้พวกเรานั่งสมาธิวันละสามชั่วโมงนั่งไม่ไหวนั่งเดี๋ยวก็หลับนะงั้นเรามีปัญญาอยู่แค่นี้แหละเรามีทรัพยากรอยู่เท่านี้แหละก็สู้เอานะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องทำสมาธิให้ได้ชาญก่อนนะถึงจะเจริญสติได้กระทั่งสมัยพุทธกาลเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไมว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเองออในภิกษุห้0องค์นะมีได้วิชาสามหองคนะ์ได้อภินญาหกหองค์ ได้อุปโภภาควิมุตตนะได้ทั้งปัญญาทั้งสมาธิเนี่ยหกสิองค์รวมแล้วเท่าไหร่ร้อยแปดสิบจากห้าร้อยนะที่เหลือเป็นพระสุขาวิปัสสกะนะพระสุขาวิปัสสกา ก, ก็ฝึกอย่างที่พวกเราฝึกอยู่นี่แหละฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองนั่นขนาดคนพุทธกาลนะชีวิตสงบร่มเย็นกว่าพวกเราเยอะเลยชีวิตพวกเราวิ่งเป็นหมาบ้าทั้งวันไเอาเวลาที่ไหนแบบสงบนะงัเ้เราเราทได้เท่านี้หรอนะ ทรัพยากรเราจํากัดนะอดทนนะใช้ความอดทนให้มากเลยหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมนะหลวงพ่อสู้ตายเลยหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นนะพยายามเจริญสติลูกเดียวเลยกลางคืนก็พยายามมาดูของเรานะดูจนหลับกลิ้งไปเลยรู้สึกตัวก็ดูของเราเองนะฝึกของเราอยู่อย่างนี้เองไม่ได้ช้ากว่าพระเลยนะไม่ได้ช้าเลยไปหาครูบาอาจารย์ตามวัดป่าเนี่ยครูบาอาจารย์รับรองให้ทุกองค์เลยนะว่าภาวนาวิธีนี้ใช้ได้เลย ท่านสอนต่อยอดให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นชาวเมืองนะเราอดทนตามรู้ตามดูมีสติอยู่ในชีวิตประจําวันให้มากแต่ถ้าอยากได้มากผลนิพพานให้มันกระฉับกระเชงว่องไวนะแบ่งเวลาไว้หน่อยนะก่อนนอนหรือตื่นนอนก็ไดนะ้มาเจริญสติในชีวิตประจําวันหลวงพ่อทำนะกระทั่งตอนรับราชการอยู่กลางวันกินข้าวกลางวันนะเสร็จแ ล, แล้วแอบออกจากที่ทางานไปอยู่ที่วัดสม หรือวัดเบญจ่าที่ทํางานมา่ก่อนอยู่ในทําเนียบออกไปวัดสมไปวัดเบญจ่าไปเดินจงกรมนะเดินจงกรมตอนที่เดินไปวัดนี่ก็เดินจงกรมไปแล้วแหะไปถึงวัดไปเดินอีกนิดหน่อยหมดเวลาเดินกลับมาที่ทํางานเนี่ยเดินจงกรมนะทำไมต้องหนีไปเดินที่ไกลๆถ้าอยู่เดินอยู่ในธรรมเนียบเดี๋ยวหัวหน้าเรียกเรเดินไปให้มันไกลๆหน่อยพอเขาตามละตัวเราเราก็บอกเดี๋ยวกําลังเดินมาแล้วนี่อดทนมากเลยนะในการปฏิบัติไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุ๊กนะต้องสู้เอาเอง นะเท่านี้ก่อนอมีไหมวันนี้มีคนถามไหม <c oughs> รู้กติกายัางที่วัดหลวงพอ่อนั้มีกติกาให้พูดแต่เรื่องของตัวเองนะเรื่องแต่การปฏิบัตินะเรื่องของตัวเองเรื่องช้างโลกโลกไม่ต้องพูดหรอเสียเวลานะเอาแต่เรื่องการปฏิบัติจริงๆเรามาเรียนเพื่อจะเอาไปปฏิบัติให้ได้นะเพราะนั้นเราถามเรื่องที่ว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อการปฏิบัติของเราจริงๆ ไอ้ความรู้ฟุ้งซ่านอะไรไม่มีประโยชน์ก็อย่าถามเสียเวลานะน่าเชิญนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติมาจากการฟังเทฟของหลวงพ่อค่ะแต่การปฏิบัตินี้คือจะไม่รู้ว่าใจใจมันรู้จริงหรือเปล่าอะค่ะเวลาดูกายเนี่ยจะรู้สึกว่าดูยากหน่อยแล้วก็ถ้าดูจิตบางครั้งมันจะนิ่งไม่ทราบว่าเป็น ก็พเพ่งาพเพงนะมันผิดตรงไห น, นผิดตรงจงใจดูจงใจดูมากไปถ้าจงใจจะดูเอาละต่อไปนี้เคราะระคังแกล้งเริ่มดูจิตจ้องปึ๊บ ก, ก็ไม่มีอะไรให้ดูนะเพราะ้นไม่ได้เริ่มด้วยการจงใจดูนะปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วความยินดียินร้ายความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดที่จิตแล้วก็ค่อยตามรู้เอาอย่าไปจ้องรอดูของคุณไปจ้องไหมแต่ต้องถือสีลห้านะ ต้องถือศีลห้าทุกคนแนหะถ้าจะภาวนาต้องถือศีลห้าถ้าทําสมถานะศีลห้ายังไม่ไม่จำเป็นมากเท่ากับทํามิปัสนาเพราะทำมิปัสนานะเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าเลยกิเลสเราเนี่ยแต่เดิมเราข่มไว้กดไว้นะเวลาเราทํำมิปัสนาเราจะไม่กดไม่ขม่มเราจะปล่อยเมืมันขึ้นมาแล่นเราต้องมีศีลไว้ก่อนแล้วก็มีส ต, ติตามรู้มันไปค่ะแล้วหนูอยากจะเรียนถามว่าอย่างหนูนะี้ต้องพิจารณาจิตหรือกายะคะของคุณตอนนี้จิตมันติดนิ่ง นะของคุณคอยรู้สึกนะร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าคอยดูอย่างนี้น ะ, ะไม่ใช่<ะ>ไม่ใช่หายใจให้นิ่งน ะ, ะคอยดูไปร่างกายมันหายใจออกเนี่ยเดี๋ยวนึงร่างกายก็หายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดู <Palace S 1> นะคอยฝึกใจเป็นแะค่คนดูก<ะ>่อนค่ะแล้วเสร็จแล้วต่อไปเนะี่ยจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอะไรมันจะเห็นของมันเองอ่ะค่ะอ่ะต่อไป ข, ขอบคุณค่ะติดนิ่งนะ ต, ติดนิ่งไปติดเพ่ง พ่อค่ะาพอดีฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วนะคะแล้วปัจจุบันกอ็อย่างเช่นว่าเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลางๆเดือนเนี่ยติดเพลงค่ะแน่นแน่นที่หน้าอกอแล้วก็พยายามจะทำให้หายทีนี้ก็มีมีอยู่วันหนึ่งพยายามประมาณสามวันพ่อ แล้วก็เหมือนกับมันกดดันมาก ม, มันเหมือนกับว่าเราอยากตะโกนออกมาค่ะและ้วทั้งทีเ่เราพยายามบอกกับตัวเองว่าฉันจะล้มกระดานแล้วนะ<ม>แต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้อยากทราบว่าหนูยังมีอาการเพ่งมากไหมคะยังอยู่นะออกมากระทบอารมณ์บ้างนะหลวงพ่อแต่ก่อนนะบางทีหลวงพ่อไปอ่านหนังสือกระตุ่นนะแต่ไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวเพราะว่าโฆษณานะ อ่านการะตูนเวลาใจเราเครียดมากๆนะอ่านกระตูนคเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งภาวนาเราเครียดจัดเลยนะหลวงพ่อก็ถามว่าทําอะไรแล้วมีความสุขเขาบอกเขาร้องเพลงแล้วมีความสุขบอกให้เข้าไปร้องเพลงกันพอใจผ่อนคลายนะก็ค่อยกลับมาเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่นะไปฝึกตัวเองให้ผ่อนคลายหน่อยหนะลวงพ่อคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาตรงนี้บ่อยที่ว่าสมมติว่ากําลังคุยงานอยู่ มันหายไปเฉยๆใช่อย่าไปเพ่งให้มันนิ่งก็แล้วกันนะอ๋ออันนี้เป็นการเพ่งเหรอคะบางทีมันหายเองมันหายเองเพราะว่าสัญญามันดับค่ะแต่ถ้าสัญญาดับแล้วเราไม่ได้ติดเพ่งนะเดี๋ยวสัญญาก็จะต่อขึ้นมาอย่างเราพูดพูดอยู่แล้วมันหายแวบไปเนี่ยค่ะเราอย่าตกใจนะอย่ารีบไปค้นคว้านะเดี๋ยวมันก็คิดต่อขึ้นมาได้ค่ะแต่มันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งที่ต้องใช้เวลามากขึ้นนะเพราะว่าเราติดเพ่งเพราะเราเพ่งนะจิตไม่คิดอ่ะ นี่จะไปฝึกให้มันไม่คิดนะค่ะรู้สึกเปล่าจิตเดี๋ยวนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันละจิตตอ น, นี้เริ่มเคลื่อนไหวเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะเออนะเนี่ยใช้จิตธรรมดาอย่างนี้อย่าไปน้อมจิตให้ซึมน ะ, ะให้จิตปกติอย่างนี้แหละ<ช>แล้วก็่อย ร, อรู้สึกกายรู้สึกใจอ่ะต่อไปกลับน้ำมัศการเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวน ะ, ะคนแรกอะคนแรกหลงไปแล้วนะอะลูกเริ่มฝึกดูจิตดูกายมาประมาณสเดือนกว่าแล้วซึ่ง บางทีมันก็ดูสบายสบางทีนะะดูจิตดูกายมาแบบสบายๆบางทีมันเร็วมากจนไม่รู้ว่าเมื่อกี้คิดอะไรไปเอ๋ไม่จำเป็นต้องรู้แค่รู้ว่ามันคิดนะไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันคิดอะไรแค่นั้นพอละค่ะแล้วบางทีตอนเครียดมันจะอึดอัดตอนไหนนะตอนเครียดๆอะค่ะมันจะอึดอัดไม่รู้ว่ามันอึดอัดเพราะเครียดหรืออึดอัดเพราะไป ดึงอะไรมาหรเปล่าเวลาที่จิตเครียดนะจิตมีโทสะจิตที่มีโทสะเนี่ยจิตจะมีความทุกข์มันมันอึดอา น, นโดยตัวของมันเองแล้วก็หายใจไปได้ไหมคะรู้ไปอย่างสบายใจค่ะถ้ายิ่งอยากให้หายนะแสดงว่ายิ่งมีโทสะท้อนซ้อนโทสะเข้าไปอีกนะั่นั้นมันเครียดขึ้นมารู้ว่ามันเครียดดูมันดูคนอื่นเครียดนะดูสบายๆอย่าไปแก้ไขมันถ้าอยากแก้ไขเนี่ยแสดงจิตไม่เป็นกลาง จิตมีโทสะแล้วไม่ชอบสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นถ้าจิตไม่ชอบสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นนะจิตยิ่งโทสะมากขึ้นอีกยิ่งเครียดกว่าเก่าอีกยิ่งแน่นเพราะรู<ล>ะะ้ด้วยใจเป็นกลางแล้วจะไม่แน่นแล้วจริลดอย่างรู้นีควร ค, คิดมากนะไปดูจิตะนะ<อ>เป็น ค, คนคิดมากง่ายๆนะจะ ไ, ได้ไม่ต้องถามหลวงพ่อนะว่าจริลุหนูจะหลุดผมเป็นยังไงถ้าเราเป็นพวกคิดมากอะกรรมาฐานที่เหมาะกับเราคือการดูจิต ถ้าเราเป็นพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยเพลิดเพลินพอใจในความสวยความงามของตัวเองของคนอื่นอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องคอยดูกายนะแล้วก่อนจะดูกายต้องทำความสงบถ้าจะดูจิตดูเข้าไปเลยนะักวัสการของพ่อครับคือผมเริ่มฟังสิดีแล้วก็เริ่มดูจิตตัวเองนี่ไม่ทราบว่าดูถูกเรืองครับ ด, ไดูได้ดีแล้ว<อ>แต่ตอนนี้ไปกดเอาไว้ดวกไห ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนเรารู้สึกตัวขึ้นมามันหลุดออกจากโลกของความฝันเป็นตอนนี้ฝันล้รู้สึกไหมใจไหลไปคิดเั้นใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้นะฝึกบ่อยๆอใช่ได้กรรมนมัสการครับพระาอาจารย์ยอมมีอยู่คืนหนึ่งครับนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บจิตมันนิง่งมันอะไรนะจิตมันนิ่งครับพระนะอาจารย์พอนิ่งหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยคือจิตเราเนี่ย มันก็จะเหมือนกับสภาวะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นกลางหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเดินจิตหรือว่าภาวนาไปเนี่ยคือมันจะมีแต่แค่จิตที่มันนิ่งแบบเนี้ยกับจิตที่มันคิดอยู่สองอย่างครับอย่าให้เหลือแต่จิตนิ่งอันเดียวนะเห็นไหมจิตนิ่งเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตคิดจิตคิดเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตนิ่งนะยังมีสองอยู่ใช้ได้นะถ้าเหลือหนึ่งใช้ไม่ได้ครับต้องต้องแก้อะไรไหมครับอาจารย์ไม่แก้นะแต่ว่า จุดสำคัญคือจิตเนี่ยมันติดนิ่งมากไปนิดหนึ่งติดสมถะขนณะนี้ยกดอยู่รู้สึกไหมไปกดจิตนะอย่าไปกดมันปล่อยเป็นธรรมชาติของคุณภาวนาไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่าให้เหลือแต่จิตจิตรู้อันเดียวนะถ้าเหลือแต่จิตรู้อันเดียวเพ่งตัวผู้รู้ไม่ดีก็เห็นว่าเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวชิดอย่างนี้ถึงใช้ได้นามัสการครับนมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็คือฝึกหัด ตามดูอารมณ์นะคะก็คือส่วนใหญ่จะรู้ว่าหลงไปคิดอะคะ่ะแต่อารมณ์อื่นจ ะ, จะเฉยเฉยจะไม่ค่อยรู้สึกอะคะ่ะเฉยเพราะาเราไปประคองใจให้นิ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ถ, ถ้าถ้ามันเฉยเพราะาเรารักษาจิตเอาไว้นะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเฉยเพราะปัญญาถึงจะใช้ได้แต่เฉยเพราะปัญญาเนี่ยต้องฝึกกันช่วงหนึ่งเช่นมันเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วก็ชั่วคราวอะไรเงี้ยเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะใจจะเป็นกลาง ของคุณตอนนี้มันมีการกดอยู่นิดหนึ่งนะถ้านิ่งถ้าเฉยเพราะตรงนี้แล้วเพ่งเอาอยัางเพ่งอยู่แต่ว่ามาเพ่งเพราะว่ากลัวหลงพ่อตอนนี้แหละอยู่ข้างนอกก็เพ่งน้อยกว่านี้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วตามดูการภาวนานะปลดปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยตัวจริงของแต่ละคนออกมานะตัวจริงของแต่ละคนน่าเกลียดมากงั้นเราอย่าไปสร้างเปลือกที่สวยๆแล้วพุ้มมาไว้หลอกตัวเองก่อนแล้วก็ไปหลอกคนอื่นทีหลัง เราปลดปล่อยตัวแท้ๆของเราตัวชั่วร้ายในใจนะอย่าไปกดมันไว้อย่าไปเพ่งมอนไว้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วเราไม่เพ่งเอาไว้เนี่ยตัวจริงๆมันจะโผล่ขึ้นมาไ ด, ได้แต่เราถือศีลไว้ก่อนจิตใจจะชั่วร้ายยังไงนะก็ไม่ละเมิดไปถึงคนอื่นนะต้องระวังตรงนี้ต่อไปเนี่ยกิเลสใดๆที่ซ่อนเร้นอยู่เรารู้ทันรู้ทันไปเรื่อยมันจะค่อยสลายตัวไป ตอนนี้ก็คือฝึกให้ดูกายที่เคลื่อนไหวไปอย่างนี้ก็คือพอช่วยได้ใช่ั้ยช่วยได้นะแล้วก็ดูใจที่เคลื่อนไหวทำงานบ่อยๆนะของคุณต้องดูจิตให้เยอะๆไว้จิตมันคิดเก่งออาต่อไปกรับาในมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือฟังซีดีหลวงพ่อกับลูกชายเกือบทุกวันมาระยะหนึ่งแล้วแล้ ว, ล, วลูกชายก็สนใจมากแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยตัวเองเพิ่งเริ่ม ก็จะกลับเรียนขอคําแนะนํานะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าถ้าอยากให้ลูกชายได้ฝึกภาวนาด้วยเนี่ยจะเริ่มกับเขายัางไงเปิดซีดีให้เด็กได้ยินนะเด็กจะภาวนาเก่งกว่าเราอีกเพราะเด็กไม่คิดมากนะแต่ถ้าเด็กเขาเบื่อช่วงไหนก็เบื่อก็ให้เขาฟังอย่างอื่นบ้างเราไม่ยัดเยียดนะแต่ให้เขาฟังเป็นธรรมชาติให้เขาเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติพอเขาฟังมากๆเข้าสติเขาจะเกิดขึ้นมาต่อไปเวลาเราเผลอนะบางทีลูกบอกเลยแม่เผลอไปแล้ว แม่โกรธแล้วรู้ไหมหลายรุ่นหลายบ้านนะเด็กมันเตือนของคุณอย่าประคองให้นิ่งนะรู้สบสบา ย, บายรู้อย่างผ่อนคลายดูอย่างผ่อนคลายหน่อยนะใจมันเครียดไปรู้สึกไหมใจมันเครียดนะเป็นคนเครียดไปนิดนึงดูให้มันผ่อนคลายหนะ่อยรู้สบายสบายขอบพระคุณเจ้าค่ะนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะอใหญ่หนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมา ส่วนใหญ่นะคะก็ฟังเป็นประจําอยู่แล้วค่ะหนูอยากจะให้หลวงพ่อชี้แนะหน่อยนะคะว่าปฏิบัติเป็นอย่างไรเห็นกิเลสไหมล่ะถ้าเห็นกิเลสนะพอนาแล้วเห็นกิเลสเกิดขึ้นเห็นกิเลสตั้งอยู่เห็นกิเลสผ่านไปอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ละเพียงแต่ดูบ่อยๆเราจะเห็นว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยอันนี้มองเห็นยัง กิเลสเกิดทั้งวันค่ะส่วนใหญ่จะเห็นความคิดทั้งวันเลยอะเลยนะเห็นความคิดทั้งวันเลยความคิดนะไม่ตัวความคิดไม่ใช่กิเลสหรอกแต่จิตที่มันหลงไปคิดเนะี่ยจิตมันฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีกิเลสชนิดที่เรียกว่าอุททัต จ, จะเป็นโมหะจิตมันฟุ้งซ่านงั้นจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านคือจิตไหลไปคิดหรือว่าไหลไปคิดนะไม่ห้ามนะของคุณภาวนาถูกแล้วล่ะคุณรู้สึกไม้มใจของคุณเปลี่ยนใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้นมามันรู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหม นั่นแหละภาวนาดีแล้วนะฝึกเข้าฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมีมีอะไรจะชี้แนะอีกหรือเปล่าคะก็ถ้าอยากให้มันพัฒนามากๆนะก็ทำในรูปแบบ่ะช่วยได้เช่นแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรทำทุกวันนะวันหนึ่งตั้งใจไว้อย่างน้อย10นาทีตั้งใจอย่าตั้งใจว่าเวลาสามชั่วโมงนะถ้าตั้งใจเ ว, าวลาสามชั่วโมงแล้ววันดีดีฝอ เอาน้อยๆไปก่อนนะแล้วพอมันภาวนาไปอย่างเราเดินจงกรมจิตมีความสุขอะไรเนี่ยฝึกไปทุกวันทุกวันทีนทนท่หลังมันเพิ่มของมันเองอะ ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับซึ่งเริ่มปฏิบัตินะครับตอนพยายามดูดูกายแล้วก็ดูจิตตัวเองะครับพอตอนที่ดูกายอะครับทั้งวันมันจะเผลอ แล้วพอที่เรามีสติรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูลมหายใจตัวเองปัญหาคือพอพอดูลมหายใจเนี่ยครับไม่เคยดูได้แบบดูเฉยๆอะ่ะคือต้องต้องคอยบอกร่างกายว่าให้หายใจเข้าให้หายใจออกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยต้องบังคับให้ตัวให้ร่างกายเนะี่ยต้องหายใจแต่ตอนเนี้ยครับพอพอเผลอๆ พ, พอสติมาปุ๊บมาดูลมหายใจปุ๊บ ต้องคอยสั่งให้ร่างกายหายใจเข้าคอยสั่งให้ร่างกายหายใจคือถ้าไม่สั่งมันก็ไม่หายใจนะครับเพราะอะไรเพราะมันมันกลับมาเพ่งพอเวลาเพ่งนะจิตมันก็หยุดร่างกายมันหยุดหายใจไปชั่วคราวแต่ว่าเราห้ามมันไม่ได้จิตมันกลับมาเพ่งไว้เองเราก็รู้ว่าจิตกลับมาเพ่งไว้แค่รู้ทันมันเรื่อยๆที่จริงนะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไหมรู้อิริยาบถไหม ถ้ารู้ลมเนี่ยจิตมันดิ่งลึกเข้าไปหาหลมมากเกินไปมารู้ร่างกายที่กระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนร่างกายพยักหน้าอะไรรู้สึกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือเวลาดูจิตนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถตั้งมือถือให้มันเตือนเราทุก5้านาทีสิบนาทีได้ไหมครับว่า ว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่สติกก็ได้เหมือ น, นกันนะแต่ก่อนเนี่ยมีเขาทํานาฬิกาขายปลุกทุกสองนาทีตอนนี้ก็ทิ้งไปหมดแล้วล่ะออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปบังคับให้มันเกิดเอออย่างนั้นก็ได้นะ uh huh. เบื้องต้นนะทําอย่างนั้นก็ได้แต่เบื้องปลายทําอย่างนั้นแล้วจะลคาคัน <laughs> คือคือก็คิดว่าแรกๆเราอาจจะปลุกให้มันตื่นก่อนพอหลับปุ๊ดเดี๋ยวเราก็คงรู้ตัวก่อนอที่มันจะปลุกเราความจริงเรามีนาฬิกาธรรมชาติอยู่ในตัวเรานะีอย่างเนี้ยเราเคลื่อนไหวยังเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกแต่ไม่เพ่งนะเพ่งอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นหุ่นยนต์ตัวแข็งแข็งพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราใช้อารมณ์ม รูปนามากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวอย่างท่านสอนบอกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเลยมันก็รู้สึกได้ทั้งวันละเพราะทั้งวันก็หายใจเข้าหายใจออกถ้ายืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวทั้งวันละเป็นการเตือนตัวเองอาศัยร่างกายนี้เองแทนนาฬิกาปลุกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตั้งใจไว้นะต่อไปนี้ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกตั้งใจไว้ก่อนนะต่อไป น้ำส ก, การค่ะเอก็ฟังซีดีของท่านมาหลายครั้งนะคะฟังๆแล้วก็ปฏิบัติตามรู้สึกว่าดีค่ะแต่ในคราวรู้สึกว่าจิตตัวเอเนี่ยฟุ้งซ่านมากมฟุ้งซ่านแล้วก็เศร้าบ่อยให้เรารู้ตามที่เป็นนะ <Okay. S 2> เขาฟุ้งซ่านรู้ว่าเขาฟุ้งซ่านเขาเศร้ารู้ว่าเขาเศร้ า, ร า, ราตามดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่จิต จะเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความเศร้าก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าตรงนี้เห็นหรือยังพอเห็นไหมไม่แน่ใจนะความเศร้าก็อยู่ต่างหากนะจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกเรื่อยๆหัดดูเรื่อยๆแต่ไม่เพ่งให้นิ่งนะอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งฝึกดูไปเรื่อยๆใช่ฝึกรู้สึกบ่อยๆนะของโยมเนี่ยต้องรู้สึกร่างกายด้วยนะ ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนอย่าใจลอยจนลืมร่างกายไป ร, รู้สึกร่างกายบ่อยๆไหะสติจะได้เกิดดีตัดไปการรักษการหลวงพ่อครับผมผมปฏิบัติได้มาประมาณแปดถึงเก้าเรือนนะครับก็ดูจิตไปเรื่อยๆครับผมบางครั้งก็ดูดูก็ไม่รู้ว่าสภาวะอะไรแต่ก็ดูไปด้วยความรู้สึกนะครับ บางครั้งก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งครับไม่เป็ไรนะชัดก็ได้ไม่ชัดก็ได้รู้ว่าคืออะไรก็ได้ไม่รู้ก็ได้ที่สําคัญไม่ใช่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่สําคัญก็คือว่าสภาวะบางอย่างกำลังเกิดขึ้นสภาวะบางอย่างหายไปมค่อยรู้ตรงนี้ครับก็พยายามปฏิบัติตามรูปแบบนะครับตอนกลางคืนก่อนนอนนะครับก็บางครั้งก็เดินไปก็ รู้สึกตัวไปอะครับบางครั้งก็ไม่รู้มันก็มัวๆบ้างนะที่มัวก็ไม่เป็นไรนะมัวรั้วมัวก็ใช้ได้ครับถ้ามัวเราไม่ชอบเนี่ยโทศาสตร์เกิดครับก็มีอะไรที่ฝึกใช้ได้นะครับใจของคุณมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไับมันตื่นขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบอย่างนี้ได้ตลอดได้ได้การทําในรูปแบบนั้นเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเราต้องการมรรคนิพพานในชีวิตนี้นะเอาเร็วๆนะครับ แต่ถ้าต้องการแค่อยู่กับโลกธรรมดาก็ตามรู้ตามดูไปใจจะไม่ค่อยมีแรงมากครับนะเบื้องต้นตามรู้ตามดูก็พอได้ น, ะนานนานไปบางทีเฉยกา ร, รทําในรูปแบบมันจะทําให้ไม่เฉยครับก็ก็เดินจงกลมอย่างนี้ไปได้ทุกวันสช่ไหดีนะดีขอบพระคุณครับใช้ได้นะคุณโมทนากล่บบาบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะหนูฝึกดูจิตมาได้พักหนึ่งแล้วหนูอยากทราบว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ค่ะ เนอจะให้บอกเลยเหรอ <c oughs> จิตตอนนี้เป็นยังไงตื่นเต้นค่ะเออตื่นเต้นนอกจากตื่นเต้นแล้วมีอะไรอีก ม, มัวมัวค่ะโอ้นอกจากมัวแล้วมีอะไรอีกกดเอาไว้ดู อ, อกไมแน่นแน่นหนักหนักเห็นไหมดูเป็นแล้วนี่ถ้าเรารู้สภาวะที่กําลังเกิดขึ้นได้นะก็ใช้ได้ละเมื่อหัดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นแล้วเนี่ยต่อไปก็หัดรู้ด้วยความเป็นกลางเช่น ม่โม่ขึ้นมาเนี่ยใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบนะอย่างนี้ห น, นุ่มตะเกียบบดูแล้วบางทีก็เบลอเบอไม่ชัดไม่ชัดก็รู้วไม่ชัดนะถ้าไม่ชัดแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะัรู้ตรงนี้เพรานั้นตอบทีแรกก็หารู้สภาวะที่กําลังปรากฏต่อไปก็รู้ทันจิตนะจิตจะยินดีจิตจะยินร้ายจิตจะเกิดอะไรขึ้นเวลามันไปรู้สภาวะแล้วจิตก็เกิดปฏิกิริยาแล้วก็คอยรู้เอานะฝึกอย่างนี้แหละ การนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูเคยไปส่วนสันติธรรมมาครั้งหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าจิตตื่นค่ะแล้วตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสถามหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้หนตูตามดูกายดูใจของตัวเองอยู่กับปัจจุบันมาเมื่อมีโอกาสทุกวันนะคะแต่ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะแต่ก็ รู้ตามรู้สภาพวาตัวเองดูดูเอาเพงว่ากิเลสตัวไหนของเราเกิดบ่อยดูออกตัวไหนตับซิโมโหอะค่ะใช่ถูกต้องใช้ได้ <laughs> <laughs> เห็นไหมเราเป็นคนขี้โมโหใช่ค่ะมันพร้อมจะหงุดหงิดตลอดเวลาเลยใ่เพราะนั้นดูง่ายนะเพราะโทสะเป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดดีดูไปสังเกตไหมจิตมีสองแบบเดี๋ยวจิตโมโหเดี๋ยวจิตก็ไม่โมโหเดี๋ยวก็โมโหอีก<ม>เดี๋ยวก็ไม่โมโห นะเวลาที่เราหัดดูจิตดูใจนะเราจะดูเป็นคู่คูนะ่จิตกโรกรธกับจิตไม่โกรธนี่1คู่จิตโลภ ก, กับจิตไม่โลภนี่อคู่หนึ่งจิตหลงไปกับจิตรู้สึกตัวอีกคู่หนึ่งนะนี่เราเคายดูเป็นคู่คู่ไปทำไมต้องดูทีละคู่เพื่อเราจะได้เห็นว่ามันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลามันแสดงไตรักเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็กโกรธเดี๋ยวก็ไม่กโกรธเห็นไหมจิตเวลาจะกโกรธก็กโกรธได้เองเวลาจะรู้ตัวว่ามันกโกรธนะมันก็รู้ขึ้นมาเอง เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจะเห็นว่ามันทํางานของมันได้เองเขาหลวงพ่อมีอะไรแนะนําแค่นี้ก็เยอะแล้วนะถ้ามากกว่านี้จะโมโหละขอบพระคุณค่ะฝัๆๆ่งนักศึกษาหลวงพ่อครับเขาโอกาสครับผมตามดูจิตอยู่ครับแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าไม่มีกําลังครับแล้วก็ก็เลยนั่งสมาธิใช่แล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่าพอนั่งสมาธิแล้วมันจะจะเพ่งมากครับแล<อ>้วก็จะเครียดๆก็ขอคําแนะนําด้วยครับ นี่อะไเครียดรู้ว่าเครียดไม่อยากให้เครียดรู้ว่าไม่อยากอยากจะให้เครียดรู้ว่าอยากหายเครียดนะเวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งบังคับตัวเองลองเปลี่ยนวิธีนั่งดูนั่งรู้สึกตัวนั่งสมาธินั่งรู้สึกไปใจไหลไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้แต่ไม่ใช่น้อมให้ลงไปนิ่งนิ่งนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะถ้าน้อมลงไปนิ่งนะมันจะเคยชินกับการเพ่งนะนั่งรู้สึกตัวเราตั้งเป้าใหม่ นั่งเพื่อจะคอยรู้สึกตัวนะใช้อะไรเป็นวิหารทำดีครับหลวงพ่อก็ทำสมาธินะแล้วก็รู้ทันใจไปพะออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยดูไปด้ยนะเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นจิตเองแหละมันไม่ได้เห็นอันเดียวหรอกขอขอกันบ้างครับชดละไปทำนะต้องทําเอาเองนะ กราดมาสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีเคยฟังซีดีของหลวงพ่อมาเกือบประมาณ1ปีที่ผ่านมาเจ้าค่ะก็รูปปฏิบัติแต่ว่าดูกายกับดูจิตสลับกันเจ้าค่ะคจงใจสลับไหมหรือมันสลับเองก็คือถ้าช่วงไหนดูดูดูดูจิตไม่ค่อยชัดะคะ่ะก็เปลี่ยนมาดูกายเจ้าค่ะอย่างนั้นได้ก็ก็ก็ปฏิบัติแบบนี้มาม า, มาเรื่อยเ่อย่างนั้นได้นะไม่ใช่ว่าดูจิตหนึ่งชั่วโมงแล้วจะมาดูกายหนึ่งชั่วโมงอันนี้จงใจอ ย, อย่างนี้ไม่ได้ ถ้าดูจิตได้ชัดดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ออกแล้วดูไม่รู้เรื่องมั่วไปหมดมารู้กนะเราปฏิบัติในรูปแบบระหว่างวันทุกคืนก่อนนอ น, นะคะก็ปฏิบัติอยู่ทุกคืนไม่แน่ใจว่าควรจะอย่ายอย่าไ ป, ไปกดจิตให้นิ่งนะ uh huh. กดจิตแรงไป uh huh. ดูให้สบายๆให้เป็นธรรมชาติเลย uh huh. เราจัดการกับจิตเนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งเราไม่บังคับเขา uh huh. เราแค่ตามรู้เข้าไปแล้วควรจะ ที่ทำอยู่ใช้ได้นะถึงเวลาก็เป็นทำสมาธิไปเดินจงกรมหมดเวลาแล้วก็มารู้สึกตัวเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทางานดูอยบ่อยๆนะมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะที่ฉันเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ เ, เคยฝึกนั่งกรรมฐานแล้วก็เจริญสติแต่ว่าทำอย่างไม่ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่งเริ่มมาฟังเทปของหลวงพ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็พยายามจะ ฝึกดูจิตตัวเองก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนําว่าที่ฝึกมาเป็นยังไงบ้างนะมันก็เริ่มเพ่งน้อยลงนะะพยายามรู้สึกตัวแล้วก็ดูไปแต่เราก็ไม่ทิ้งของเดิมน ะ, คะเคยทําสมาธิเราก็ทําไปนะดูกายเราก็ดูไปหมดเวลาทําสมาธิพิจารณากายแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจําวัน ค, คือที่เรียนกับหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อจะดูจิตอย่างเดียวอย่าเข้าใจผิดนะ เวลาเราเรียนเพื่อให้เกิดสติ <S <S ให้มีจิตที่ตั้งม ант, <S <S <Trading S 2> ั่นเพราะเราเกิดสติแล้วเรามีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตเราเลือกไม่ได้หรอกนะแล้วเราเรียนเพื่อให้มันมีสติไม่ใช่เรียนเพื่อจะดูจิต <Okay. S 2> แต่ว่าพอมีสติแล้วเนี่ยจิตมันจะสติมันจะไปดูกายหรือมันจะไปดูจิตมันดูของมันเองนะเรียนตรงนี้จับหลักให้แม่นนะบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อจะสอนให้ดูจิตแต่สุดท้ายมันจะเข้ามาที่จิต โดยเฉพาะในขั้นสุดท้ายขั้นจะแตกหักข้ามพบอข้ามชาติจริงๆลงมาที่จิตเลยนะแต่ขั้นก่อนหน้านั้นรู้กายได้รู้กายรู้จิตได้รู้ไปแล้วแต่สติมันจ ะ, ะระลึกนะขอบคุณค่ะน้มามัสการค่ะหลวงพ่อคือปฏิบัติมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ป .4 เลยค่ะแล้วกเ็เคยเห็นกายไม่ใช่ของตัวเองแนาวที่นี้พ อ, อตอนหลังๆเ น, นี่ย ดูดีๆก็ดูจิตๆนะีคื อ, อปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กค่ ะ, ะแล้วก็ติดสมถะแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าวิปัสนาเป็นเนี่ยก็คือเมื่อเก้าปีที่แล้วอพอวิปัสนาได้ก็เห็นกายไม่ใช่ของเราเออใช่ทีนี้ก็พอมาตอนหลังพยายามดูจิตดูจิตก็เป็นติดสมถ ะ, ะแล้วก็จะโมโหจะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแต่ว่ช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่มมันเหมือนคลิกดูได้เสร็จเนี่ยมันเห็นตลอดสายคือเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับ พอเห็นมากๆแล้วสะเทือนใจมากแบบเหมือนกับเอาตัวเองไม่อยู่อืมดีนะดูไปนะดูด้วยใจเป็นกลางตอนนี้เราเห็นสภาวะเกิดดับในภายในแล้วแต่ปัญหาคือจิตยังไม่เป็นกลางนะให้เรารู้ทันไปว่ายังไม่เป็นกลางดูวันหนึ่งจนมันเป็นกลางนะจะเห็นเลยทุกทุกอย่างเกิดแล้วดับดูออกแล้วใช่ไหมว่าตัวเราไม่มีพอเราเห็นว่าตัวเราไม่มีนะใจมันบางทีมันตกใจบางคนตกใจบางคนกลัวบางคนสลดหดหูเลย บางคนรู้สึกเวงว่างไม่มีที่อาศัยของคุณตอนนี้มันรู้สึกเวงวางแล้วไม่รู้จะอาศัยอะไรอันนี้เป็นทางผ่านที่จิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องผ่านนะเพราะว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะเริ่มเบื่อหน่ายแต่ว่าอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายให้ความรู้สึกเวงว่างเนี่ยครอบงําจิตได้ให้มีสติรู้ทันว่ามันมีความรู้สึกชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วก็รู้ไปเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกเวงว่างความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเนี่ย ก็อยู่ชั่วคราวเช่นเดียวกับโลกโกรดลงอื่นๆนั่นเองนะคุณดูอย่างนี้บ่อยๆนะตรงนี้เป็นทางผ่านเร า, เาทำยังไงถึงจะเข้มแข็งได้ให้รู้ทันว่าความรู้สึกอันนี้ย้อมใจเราได้ให้รู้เฉยๆอย่าไปต่อต้านกิเลสเหมือนกับสายน้าในแม่น้ําเราปล่อยให้น้าในแม่น้าไหลไปเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปกั้นเขื่อนเท่านะมีพลังงานมาหาศาลเลย เพราะฉั้นจิตจะมีกิเลสขึ้นมาเราก็ปล่อยให้มันไหลไปเราแค่ดูนะเห็นกิเลสไหลไปใจเราเป็นคนดูเห็นกิเลสไหลไปแล้วใจเราเป็นคนดูไม่ไปต่อต้านของคุณตอนนี้ใจมันไปต่อต้านนะอย่าไปต่อต้านมันให้ยอมรับสภาพนะเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกมาย้อมจิตเห็นความรู้สึกมันย้อมจิตนะถึงจุดหนึ่งนะความรู้สึกกับจิตเจะพลาดก่เกี่ยวกันเช่นเดียวกับความโลภความโกรธความหลงอื่นๆนั่นเอง ของคุณพอานามาได้ครึ่งหนึ่งอ่ะมันจ ะ, ะเจอตรงนี้เป็นทุกคนหลเพราะพระพุทธเจ้าเคยสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายรู้สึกไหมเบื่อเบื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเบื่อชั่วรักดีเบื่อทุกขรักสุขไม่ใช่เห็นไหมจิตที่เบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะโดยเท่าเทียมกันหมดเลยเนี่ยจิตมันมีปัญญาที่ชื่อว่านิพพิทาญาณ น, นะมันมีปัญญามันเบื่อมันเสียดเสียเอียนไปหมดเลย แต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกอนนี้ครอบงำจิตได้ให้มีสติรู้ลงไปว่ามันครอบงำจิตดูตรงนี้นะดีอดทนไปมันต้องผ่านตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งที่แบบมั น, ม น, มนก็คือเห็นเห็นเกิดดัาอย่างนี้ตลอดค่ะจีนี้เราก็ต้องอยู่ในชีวิตประจำวันเวลาเราสะเทือนใจมากๆเนี่ยบางทีมันก็แบบน้ำตาก็ไหลแล้วเราก็รู้สึกอายขนอื่นคือเราเห็นทั้งวันอย่างนี้แล้วเรารู้สึกแบบ เรารู้สึกมันอธิบายความรู้สึกไม่ถูกอะน้ําตามันก็จะไหลออกมาแล้วมันเหมือนกับอายคนอื่นเขาเขารู้ทันไปนะจิตเกิดปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติจิตเป็นยังไง ร, รู้ไปก่อนอายรู้ว่าอายไปก่อนอีกไหนเขาก็ชินไปเองอะก็ะด้วยความที่ยังติดสมถะอยู่อะค่ะอะไรนะด้วยความที่ว่ายังติดสมถะอยู่บางทีเวลาที่เรามองอะไรนา น, านๆเช่นฝางหลวงพ่อเทสไม่กีน่นาที หลวงพ่อก็จะตัวเล็กลงเล็กลงแบบเหมือนกับเราดีสิหลวงพ่อเขาอยากเล็กบ้างดูทีวีดูทีวีอยู่ดีๆตัวก็แบบถูกผักออกมาออนะอันนั้นเป็นอาการของสมถะแล้วทํายังไงดีค่ะทวนต้องกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นให้ชัดๆนะมันก็จะหลุดออกมาคือไม่ควรปล่อยให้มันดิ้งไปไม่ควรอย่างนั้นไม่ดีเลยจิตอ่อนแอร์จีนี้ด้วยความติดสมถะมากก็เลยอยากจะขอวิธีจะกระตุกกระดิกไหมไปหางานบ้านทํา มีลูกมีหลานอะไรไหมมีลูกค่ะเออไปเลี้ยงเด็กแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวก็โมโหใช่ค่ะนะคนไหนติดสมถานะพิขี้โมโหมากกว่าคนทั่วไปนะให้ให้ใจเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมแม่ค่ยังหลวงพ่อบอกว่าให้เดินจงกรมให้มีรูปแบบใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เรานั่งนานๆเราอย่างสิสําหรับคนที่ติดเพ่งเนี่ยน ะ, ะอย่าเพิ่งทําในรูปแบบะนะให้คลายก่อนแล้วค่อยมาทำํำของคุณตอนนี้จุดสําคัญเลยก็คืออารมณ์เนี่ยมันย้อมจิตง่าย จิตเนี้ยมันเขาเรียกอะไรอ่อนไหวนะอารมณ์ย้อมจิตง่ายจะใช้คำว่า s e n ซิจีบเมื่อกี้เนียต้องนึกคำแปล ก, ก่อน <laughs> จิตมันอ่อนไหวแล้วก็รู้ทันเอานะคือรู้ไปเรื่อยรู้ได้แต่ไปก็แข็งแรงขึ้นอย่าให้มันครอบงำจิตได้ค่บคุณไข่หนูฟัง CD ดีได้ระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ฝึกตามที่หลวงพ่อสอนในซ d ดีก็คือ ตอนแรกที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองขี้ระแวงใจตัวเองอะนะคะขี้ระแวงแล้วก็พอหลังๆนี่ก็คือรู้สึกว่าได้ได้ยินในซีดีบอกว่าเอออย่าไปตั้งใจดูหนูก็เลยปล่อยพอปล่อยแล้วก็หลงพอหลงแล้วก็รู้รู้จิตที่หลงไปแล้วอะค่ะมันก็ทีนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ที่ตั้งใจมาส่งกันบ้านหลวงพ่อเนี่ยพอจิตบอกว่าจะมาส่งกันบ้านแล้วนะ มันก็เข้าไปรัดนะค่ะปุ๊บแล้วพอหนูบอกว่างานไม่ส่งละมันก็ปล่อยอสังเกตไหมมันทํางานได้เองใช่ค่ะเนี่ยเรามาเรียนนะก็เพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่ว่ามันทํางานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าลูกสาวหนูฟังซีดีด้วยในรถแล้วก็บางทีเขาเขาพูดสภาวะอะไรมาแปลกๆหนูก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยเขาได้หรือเปล่ากลัวเขาจะไปจําสภาวะคนอื่นมาเป็นสภาวะตัวเองอะค่ะ ใจเขาออกนอกเยอะไปนะพยายามให้เขารู้สึกที่ตัวเองบ่อยๆกระตุ้นความรู้สึกให้มาอยู่ในร่างกายบ่อยๆอย่าปล่อยให้ใจมันไหลาเลยค่ะออกไปรู้ข้างนอกเยอะไป อ, อ, อยาา่ามาอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆต่อไปกับนมาสการครับก็คร<อ>าวที่แล้วหลวงพ่อบอกบอกให้ไปดูเดี๋ยวจิตมันก็รู้เดี๋ยวจิตมันก็หลงนะครับผล<ฆ>ตอนนี้ก็คือแบบ รู้สึกว่าโลกมันไร้สาระครับรู้สึกอะไรนะโลกไร้สาระครับแล้วก็มันน่าเบื่อโลกไร้สาระอ๋อยังยังไม่ใช่เป็นช่วคราวนะเดี๋ยวจะกลับมามีสาระอีกตอนนี้เราเห็นนะมันยังดูน่าเบื่อนะเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆยังไม่ถึงกระลจริงฝึกไปตามรู้ตามดูไปรู้สึกไหมใจเราเริ่มรู้สึกได้ได้ชำนาญขึ้นรู้สึกได้เองได้บ่อยขึ้นนะฝึกไป แต่ยังไม่ถึงขั้นนิพพทาหรอกเพราะว่ามันยังเบื่อนนี้เดี๋ยวมันจะไปชอบเป็นน้นลองดูสิถ้ามีสาวสักคนนั้นเราแบบโ้หคุณนี่หล่อย่างเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่เบื่อนานหรอกครับเราที่เห็นที่เคยรู้สึกว่ากายไม่ใช่เรานี่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาแต่ใจใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยเวลาสติระลึกเห็นร่างกายมันจะเห็นเลยไม่ใช่เรานะเราใจใจนี้มันเหมือนกระดิดนะครับ อะะไรใจเนี่ยงเหมือนคิดอยู่อะครับใจใจไม่ใช่เราเนี่ยครับมคิดคิดอยู่อะครับเหมือนว่าเราคิดเองยังคิดอยู่ยังมีคิดเจืออยู่ไปฝึกนะฝึกอีกรู้สึกตัวบ่อยๆใจหลุดออกจากความคิดใจหลุดออกจากโลงของความคิดนั้นถ้ามันย้อนมาเห็นจิตนะสติระลึกถึงจิตเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีเราแต่มันต้องย้อนเองอ่ะแล้เวลารู้สึกตัวนี่หลวงพ่อบอกว่าจะเป็นคณิกะสมาธิใช่ไหมครับ ไอ<ช>ตัวนี้สามารถเอามาแทนสมถะได้ไหมครับใช้อะไรนะใช้แทนสมถะได้ไหมครับความสงบ อ, องีกันนี้ใช้ไม่ค่อยได้น ะ, ะแรงน้อยไปรเราก็ต้องอาศัยการทำสมถะทำสมถะไม่เป็นนะไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆมันก็ได้สมถะเหมือนกันหรือพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็เป็นสมถะนะครับกุศลผลบุญที่เกิดการภาวนาก็ถวายเป็นอาใจบูชาได้สาธุชอบมากเลยบูชาด้วยการปฏิบัติอะ ค่ะนมัสการค่ ะ, อ, ะอยากจะกราบเตรียมถามอสองข้อค่ะข้อแรกนะคะกำลังหัดเดินจงกรมนะคะแต่พอเริ่มเดิ น, นะคะ่ะก็เริ่มอย่างเช่นเริ่มคิดถึงลูกเริ่มคิดถึงอะไรแบบนั้นนะคะก็<ห>ไม่ทราบว่าให้รู้ไปนะเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เดินเพื่อให้สงบอย่างเดียวหรอกเราเดินรู้ทันตัวเองไปเพราะฉะนั้นเดินไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่ จิตใจไปคิดน่ไปคิดถึงลูกแล้วรู้ว่าจิตแอบไปคิดเดินรู้กายเดินรู้จิตไปนะไม่ไม่ต้องห้ามกันไม่ห้ามไ ม, ไม่ห้ามห้ามไม่ได้ค่ะแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งค่ะกำลังหัดดูกายดูจิตนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองหลงหลงไปทั้งวันเลยะคะ่ะเริ่มเก่งแล้วนะรู้จักว่าหลงเป็นยังไงแต่เดิมเราหลงทั้งวันเราไม่เคยรู้ใช่ไ้ยเดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้แล้วต่อไปมันจะหลงสั้นลง ลงไปเดี๋ยวหนึ่งก็รู้ลงไปแล้วก็รู้นะไม่ทราบที่ทํามาเนี่ยถูกทางหรือเปล่าถูกสิถูกนะต้องไปทําหอีกกลับขอบพระคุณค่ะเแล้วเหรอการภาวนานะต้องอดทนนะอันแรกเลยเรียนหลักให้ได้ปลุกใจตัวเองให้ตื่นใจของคนในโลกมันหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา การที่จิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั้นไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มันคิดขี้เหนาถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตไหลไปคิดนั้นเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวเมื่ออยู่ในโลกของความรู้สึกตัวแล้วร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนรู้สึกตัวแล้วก็เฉยรู้สึกทั้งวันรู้สึกเนี้ยโอลาลา่าไปเรื่อยๆนะใช้ไม่ได้นะ รู้สึกไปแล้วก็คอยสังเกตกายสังเกตใจไปเห็นมันทํางานไปเรื่อยๆมันถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญานะถ้ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่เรียกว่าเจริญปัญญานะแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็เจริญปัญญาไม่ได้ความรู้สึกตัวนั้นเป็นจุดตั้งต้นเพื่อการเจริญปัญญาเพราะฉั้นะเราปลูกตัวเองให้ตื่นด้วยการรู้ทันใจที่ไหลไปคิดพอรู้ทันใจที่ไหลไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาพอจิตตื่นแล้วอย่าหลงเพลินในความสุขความสบายความโล่งว่างที่เกิดขึ้นนะ คอดูกายมันทํางานคอยดูจิตมันทํางานดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่รู้เรื่องก็มาดูกายดูกายก็ไม่รู้เรื่องดูจิตก็ไม่รู้เรื่องนะไหว้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมไปเดินไปเห็นกายมันเดินเห็นจิตมันทํางานนั่งไปก็เห็นกายมันนั่งเห็นจิตมันทํางานเห็นกายมันหายใจเห็นจิตมันทํางานนีดูมันไปอย่างนี้เรื่อยๆค่อยๆฝึกของเราทุกวันทุกวันนะ มรคนิพพานไม่พ้นวิสัยหรอกมรคนิพพานไม่ใช่เรื่องล้าสมัยนะมรคนิพพานไม่เคยหายไปไหนหรอกเพียงแต่ว่าใจของเราไปหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเคยชินที่จะปรุงแต่งปลุกใจให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่งนะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกรู้กายรู้ใจว่าหนึ่งมันก็ต้องแจ้งขึ้นมาหรอกแจ้งว่าอะไรว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีถ้าแจ้งตัวนี้เป็นพโสดาบันนะ ภาวนาต่อไปอีกก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกนั่นแหละตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจไปอีกถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์จริงๆเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้มันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะเป็นพระละหาันพ ร, าารนะละหันนีไม่ใช่มนุษย์ประหลาดไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่ว่าคนที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะร่างกายก็แก่ก็เจ็บก็ตายตามธรรมชาติธรรมดา น, นั่นเอง แต่ใจนี่มันแยกออกจากขันใ่มันไม่ยึดถือในขันต่างคนต่างอยู่กับขันนะมีความสุขนะเป็นอิสระจากขันพรากออกจากขันนี่มีหลายศัพท์เหลือเกินถ้าเราฝึกอย่างนั้นได้เราก็มีความสุขที่สุดเลยพวกเรามีบุญเกิดในแผ่นดินที่ยังมีธรรมะอยู่อดทนนะอดทนภาคเพียนเข้าหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่หลวงพ่อเป็นคนที่ทนมากเลยในการฝึกตัวเองอาศัยความอดทนตามรู้ตามดู อดทนที่สําคัญอันหนึ่งก็คืออดทนต่อความอยากได้ผลสําเร็จส่วนที่ยากที่สุดเลยนะต้องภาวนาจนวันเนิรมันถอดใจเลยว่าโอ้ไม่มีปัญญาละไม่สามารถทําให้ผ่านด่านนั้นนี้ได้แล้วนะใจมันยอมรับความจริงแล้วว่าไม่มีทางทําเลยนะสู้จนหมดสติหมดปัญญาแนละมันถึงจะผ่านได้เป็นเรื่องแปลกจริงๆนะถ้ายังมีแรงต่อสู้อยู่ยังไม่ผ่านหรอกแต่อาศัยแรงที่ต่อสู้นะั้นมาเจริญสติรู้กายรู้ใจไปนี่แหละ ถึงวันที่เขาพอนะเขาจะหยุดความปรุงแต่งลงชั่วขณะนะถ้าหยุดลงได้จริงๆนะจิตพลากออกจากความปรุงแต่งได้จริงๆแล้วไม่เข้ามาปนกันอีกนะก็หมดธุรากันตดยนั้นนะนะขันส่วนขันนะจิตส่วนจิตไม่เกี่ยวข้องกันก็ไม่ได้ยึดถือจิตไปด้วยไม่ใช่ธรรมะที่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทําไดนะ้อดทนนะอดทนอดทนต่อความขี้เกียจ นะอดทนต่อความอยากดีอยากบรรลุเร็วๆคอยรู้ทันเข้าพอแล้วเนาะนีก็ถึงัสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านที่สาลาหลุง hmm. ชินข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องประจัยไ์ทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชว์ ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นการละนานเทิญยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวายโตดินนังเปตานังอุปก ป, ปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวาสมิชชตุสัพเพปูเรนตูสังค ป, ปาจันโทปนรารโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิตโยวิวัชชนตูสัพพารโคโววินสัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนิตจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรโธรมาวันตีอายุวันโนสุขังภะลัง